จะให้เทศเรื่องอะไรหน้าตาซ้ำๆท่างๆเยนยฮมหมอจะฟังเรื่องอะไรเรื่องแล้วแต่หลวงพอ่อมีใครเคยฟังหลว ง, งพ่อเทศบ้งทางซีดีหรือวิทยุเพราะเยอะนี่นะมีหน้าละ่ะไม่มีธรรมะจะเทศละ ถ้าเคยฟังมาแล้วค่อยๆสังเกตใจใจเราแต่ละวันไม่เคยเหมือนกันบางวันตื่นขึ้นมาก็มีความสุขแล้วบางวันตื่นขึ้นมาก็กลุ่มใจค่อยสังเกตใจตัวเองบ่อยๆนะการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ยากลําบากอะไรเราไปหลงกับภาพพจน์ของพวกฤาษีชีไล่อยเา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 นั่งหายใจแล้วก็เงียหยใจใจมันก็เงียบเงียบสบายสบายเงียบเงียบโง่โงเงียบงงเงีย บ, ยบแบบโง่งไม่รู้อะไรนั้นเราต้องหัดวิปัสสนาให้ได้นี้หลวงพ่อมาเจอหลวงปู่ดูลเด่นคุมพาปีห้าพันีไปกราบท่านไปถึงก็บอกท่านเลยบอกหลวงปู่ผมอยากปฏิบัติ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 ทำได้สกิทาคาเนี่ยสติจะไวมากเลยเพรกิเลสไหววับสติเห็นแล้วขาดสะบัน้นขาดสะบั้นลงไปท่านถึงสอนว่าพระสัทาคานั้นกิเลสเบาบางเนะบาบางเฉเพราะไม่มีโอกาสเกิดนะเกิดได้ไม่นานแปบ๊บเดียวนะถูกทําแท้งไปลนะแวบบเดียวแวบบเดียวขาดไปขาดไปนะถัดจากนั้นก็ดูกายดูใจของเราต่อไปอีกนะปัญญามันจะแจ่มแจ้งขึ้นว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้นๆ้นะร่างกายมีแต่ความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลา ถ้าคนใดเห็นความจริงแล้วจิตยอมรับได้นะว่ากายนี้ทุกข์ล้วนๆนะจะได้ผ่านหคาขาถัดจากนั้นก็ดูไปเรื่อยๆวันใดเห็นว่าจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตมันจะสลัดคืนจิตคืนจิตให้โลกไปนะอันนั้นก็เป็นพระอระหันต์ที่เขาเรียกว่าพระอระหันต์การปฏิบัติธรรมไม่เหลือวิสัยที่มนุษย์ธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งจะทาได้ธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยท่านสอนมนุษย์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 เราไปจงใจบีบมันเองรู้ไม่ปล่อยให้มันลอยลอยแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ปล่อยให้มันลอยจิตลอยไปรู้ว่าจิตลอยไปไม่ได้ปล่อยให้ลอยนะแค่รู้แค่รู้ว่าจิตลอยอย่าไปบังคับจิตจิตเหมือนเด็กเด็กไม่ชอบถูกบังคับแต่ว่าเราจะปล่อยเด็กตามยถากรรมก็ไม่ได้งั้นเรามีหน้าที่แอบดูมันปเป็นระยะระยะชำเลืองดูมันไปถ้าเมื่อไร่เราไปบังคับจิตมันก็เหมือนบังคับเด็กะ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 บ้านอยู่นครปฐมค่ะเออมหัดเรียนกับหมอนัดหมอผมสั์อ้าวเบอร์สองตอนนี้ยังทำแต่สมถะยังได้สมยังไม่ขึ้นวิปัสนาณนะจิตเนาะในเบอร์สองอยู่นะโยมไปส่งกันบ้านเมื่อสัปตุลาปีที่แล้วตอนนั้นคือมันเห็นแต่เกิดเกิดดับๆหลวงพ่อก็บอกว่าให้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 เดินไปแล้วใจลอยแล้วรู้สึกใจลอยแล้วรู้สึกรู้ว่าใจลอยถ้าซ้อมอย่างนี้เรื่อยๆนะจะไม่หลงนานของโยมมันไม่มีแรงแล้วจิตมันหลงนานตอนนี้รู้สึกมันอ่อนมากเลยเออนั่นแหละไ ป, ไปเพิ่มแรงเข้าด้วยการไปเดินเดินจงกลมนะเดินเป็นไหมชอบเดินเดินให้ดูได้ไหมก็เดินออกมาเดินเนี้ยออมาเดินโชว์เห็นไหมขาดสติเห็นไหมอ่าพอละนั่งได้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 มีกี่เบอร์ละแอสตันล้อยีอ่สิบชั่วเหรอรเอาๆว่ามาเบอร์อะไรละเบอร์สามอยู่ไหนเบอร์สามอยู่ไหน ค, คุณยายเหรอคุณยายละจะอ่านแทนคุณยายนะครับผ ม, อมบขอถามว่าเราทำบุญหนึ่งชุดมีข้าวหนึ่งถุงกับหนึ่งถุงของหวานหนึ่งถุง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 ชอบชอบง่วงเหรอคะซึม<อ>แล้วจนะง่วงซึมแล้วจะง่วงเลยคะ่ะเวลากราบพระละค่ะทาไมล่ะขึ้นไปกราบพระแล้วมันจะซึมแล้วจะง่วงมากละค่ะแล้วก็เริ่มกราบตั้งแต่ยังไม่ทันจะง่วงสิก็สองทุ่ม ก, กว่าละค่ะเอากราบตั้งแต่ตื่นเลยยังไม่ทันจะง่วงว น, นี่หมดแรงแล้วน่าจะไปสวนมนต์ใจมันหมดแรงไหคะเราเอาตั้งแต่ตอนที่ยังมีแรงสิตื่นนอนมาเรารีบไหว้พระก่อนเลยเอากาไรไว้ก่อน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 ต้องภาวนาสบายนะไม่ใช่ภาวนาเราเครียดจริงจังไปดูให้สบายกว่า น, นี้อีกรู้สึกไม่ใจเราแข็งแข็งต้องดูไปด้วยใจที่สบายสบายโล่งโล่งๆบเบานตอนเริ่มต้นเนี่ยจะต้องใช้การเดิ น, เ ด, น, เ, ดนเดินก็มีประโยชน์นะเดินค่อยถนัดหนะ่อยเราต้องจัดเองอ่ะเอาว่าไปการพาร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 มันจะเห็นทั้งกายทั้งใจนี้มันไม่ใช่ตัวเราอย่าตอนนี้ใจลอยรู้สึกไหมใจไปคิดมันแอ บ, บไปครับถเกิดสภาวะที่ว่าใจลอยไปว่าใจไปไหนก็ตามนะเกิดทุกข์ซาหรือเกิดภาวะเมันกัคลายโมกข์แต่ว่าเรารู้ว่าเฮ้ยมันกำลังเกิดตรงนี้อยู่ตรนี้กำลังควบคุมเราอยู่ก็ต้องนับถือว่าใช่ได้ใช่ไม่ได้นะไม่ผ่องใสไม่ผ่องใสไม่เป็นไรให้รู้ด้วยความเป็นกลางตัวสําคัญคือรู้ด้วยความเป็นกลาง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 ปัญญามันจะเกิดขึ้นมันจะเห็นเลยว่าความโลภความโกรธความหลงเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาชั่วครั้งชั่วคราวไม่ใช่จิตหรอกเห็นตอนนี้ใจลอยไปอีกแล้วทราบไหมเสดอบอกแล้วทราบเพือย่างดีบางคนบอกแล้วเถียงอีกนะหลวงพ่อเคยเจอนะมีผู้หญิงคนหนึ่งบอกไม่ใจลอยแล้วแม่มันโมโหเรานะสบัต <c oughs> ดิฉันไม่เคยใจลอยเลยนะโอ้โหน่ากลัวมาบัตสรุปรยมยอด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 คือกาขยันเกินเหตุครับเออ okay. okay. เอาให้พอดีพอดี <c oughs> ปล่อยปลาละเลยนะใช้ไม่ได้นะขยันเกินเหตุนะ่ะถ้าเรารู้ต้นต่อของมันต้นต่อของมันคือโลภะถ้าเราเห็นโลภะที่เกิดขึ้นในจิตนะก็ใช้ได้ละเอาเบอร์อะไรเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดแล้วแปดอยู่ไหนครับ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 ก็คือหลงหลงยาวค่ะหลวงพ่อจะแก้ยังไงหลงยาวเมืม่อกี้บอกแล้วไงนะต้องมีวิหารธรรม<า>จะอยู่กับพุทธโธก็ได้ท่องพุทธโธพุทธโธไปนะเราใจแอบไปคิดรู้ว่าใจแอบไปคิดใช่ค<า>่นะท่องไปมากๆานะพอใจแอบไปคิดก็รู้ใจแอบไปคิดก็รู้ต่อไปพอใจไหลไปคิดปั๊บสติเกิดเองเลยรู้เองใช่ค<า>่<า>นะแล้วอยากให้หลวงพอ่อจิตขนาดนี้<ม>กับเมื่อกี้ก็ไม่เหมือนกันแล้วรู้สึกไหม เอเมื่อกี้มันมืดกว่านี้ดูออกไหมค่ะนักไข้รู้สึกเป็นงี้ยพารู้สึกรู้สึกนะแจมัจะโล่งขึ้นมาสว่างขึ้นมาะคนที่เพิ่งส่งกันบ้านเสร็จตะเกียะหลงละขอบพระคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะอา้าวเปิดต่อไปเบอร์อะไรแล้วล่ะกราบธรรมส ก, การหลวงพ่อครับผมนบวหลวงพ่อครั้งแรกก็จากการฟังซีดีหลวงพ่อก็พยายามสุเลยครับเมื่อเมื่อก่อนเนี่ย ภาณสติภาวนาถูดแล้วก็กำหนดการพิจารณาความไม่เที่ยงของร่างกายด้วยพิจารณาธาตุสปฏิปูลสุกรมทานจนจิตแสดงให้เห็นไตลักษให้รู้ว่าร่างกายไม่ของเราในการการฝึงแบบนี้บางครั้งก็จะกลายเป็นสมถะภาวนาใช่ทำอย่างนั้นส่วนมากกลายเป็นสมถะ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 คุณมาลีง่วงกว็รู้ว่าง่วงเว้ยเอาเบอร์อะไรแล้เบอร์เก้าครับอยู่ไหนเนาะเบอร์สิบยกมือหน่อยรครับอยู่ข้างหน้านะครั บ, ดบดเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไหนอ๋อ ถูกสิถ้าปฏิบัติมันก็ถูกแหละนนเห็นกิเลสไหมล่ะถ้าเห็นกิเลสใช้ได้หนีไปคิดบ่อยๆหรือว่าหนีไปคิดทีละนานๆบบ น, นๆโอ้ใช้ได้แต่ตรงที่รู้ไปคิดอย่าดึงคืนนะอย่าไปดึงมาแค่รู้ว่ามันหนีไปคิดมันกลับมาเองนอนถูกแล้วล่ะแต่ใจมันยังไม่ค่อยตั้งมั่น น, นั่นแหละใจมันไม่คือตั้งมัน่นะทำในรูปแบบนะไปเดินจงกลมบ้างอะไรบ้างนะทำในรูปแบบบ้างถ้าไม่ทำในรูปแบบเลยไม่มีวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ใจจะไม่ค่อยมีแรงหรอกนะอ้าเบอร์สิกลับในมันสการหลวงพ่อครับอยู่ไหนล่ะข้างหน้าครับ ผมฟังซีดีของพ่อมาได้ประมาณสักหกเดือนแล้วครับผมจิตตอนนี้จิตตอนนี้ไปอยู่ข้างหน้ารู้สึกไหมใช่ครับจิตมันอยู่ข้างหน้าแล้วช่วงเดือนที่แล้วครับมันรู้สึกว่ามันเพ่งทั้งเดือนเลยครับแล้วมันเพ่งจนขึ้นหัวเลยครับอาจารย์ผมไม่แน่ใจว่าเพราะผมยังไม่เห็นตอนสภาวะตอนที่มันเพ่งขเาครั บ, ค, รบคือเราจงใจปฏิบัติมากเกินไปการปฏิบัติทำที่ดีเนี่ยนะให้สภาวะธรรมเกิดขึ้นก่อนแล้วเราค่อยตามดู ถ้าเราไปจ้องรอดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมันจะกลายเป็นการเปิดจ้องไว้เปิเพ่งไว้จะเครียดของคุณต้องภาวนาให้สบายสบายเครียดไปซึ่งเป็นรายงานกับพระอาจารย์ครั้งที่สองครับครั้งที่แล้วไปที่ศรีราชาแต่ว่าครั้งนี้อยากรบกวนพระอาจารย์พาดูสภาวะจิตได้ไหมครับขณะ น, นี้จิตมาอยู่ที่หลวงพ่อรู้สึกไหมเนี่ยเมื่อกี้ตอนที่หัวเละแล้วอยังหน้าไปจิตหนีออกไปนอกห้องรู้สึกไหม มันหลืบตัวไปแวบอย่างเงี้ยรู้สภาวะลงไปแล้วยังกดอยู่นะต้องปล่อยใช่ยังกดอยู่ตื่นเต้นตื่นเต้นครับตื่นเต้นอะไรไปกดมันไว้ตื่นเต้นก็ให้มันตื่นเต้นไปอยากหายตื่นเต้นไหมลุกขึ้นมายืนแล้วก็หันไปโบกมือทิ้ง <c oughs> พอแล้ว <c oughs> รู้สึกไหมตอนนี้ตื่นเต้นจริงแต่ว่าไม่ได้กดรู้สึกไหม เห็นไหมจิตมันตื่นเต้นร่างกายมันตื่นเต้นแต่เราเป็นคนดูอยู่ห่างๆเนี่ยต้องฝึกอย่างนี้ถึงใช้ได้เห็นกายมันทํางานเห็นจิตมันทํางานะเนี่ยเริ่มกลับไปเพ่งอีกแล้วถ้าเข้ามาช่องนี้ไปไม่ได้แล้วผมไม่เห็นช่องนี้ทุกครั้งเลยครับให้ให้อย่าจงใจปฏิบัตินะพอมันหลุดออกมาแล้วตอนที่มันจะกลับเข้าไปเนี่ยค่อยรู้ทันหันไปดูทางโน้นนั้นไปเนี่ยแกล้งหันอย่างเงี้ยใจมันไม่หลุดออกมา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 เบื้องต้นจะเอาให้พอดีนะทําทไปสักพักหนึ่งมันจะอ่อนไปอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ที่ไห น, นอือพ่อค่อยู่ทางนี้ค่ะออเอาว่าไปเอาแล้วพวกที่จะมาส่งกันบ้านนัมาอยู่ตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวหลวงพ่อพิการให้หลวงพ่อเอยียงอยู่ข้างเดียว <laughs> ดูดูให้สบายๆนะดูเล่นๆดูยังมีความสุขแต่ว่าขยันดูดูบ่อยๆนะใจเราเคลื่อนไหวรู้สึกไหมใจเราเคลื่อนไหวตลอดเวลาของคุณเป็นคนที่ชอบคิดนะจิตมันเป็นคนชอบคิดเพราะงั้นให้เราดูใจที่แอบไปทำงานบ่อยๆ อ, อย่างตอนนี้หนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมมันไหลแแบบนะให้คอยรู้สึกคอยรู้สึกเลยด้ย ใช้ได้สิถ้าภาวนาแล้วใช้ได้ทุกคนเลยถ้าขี้เกียจจะใช้ไม่ได้อย่างตอนเนี้รู้สึกไหมใจหนีิดคิดของคุณก็ดูจิตไปของคุณเป็นคนช่างคิดดูจิตไปเลยกราบนรรมสการหลวงพ่อค่ะคือหนูก็ฟังซีดีมาได้ระยะหนึ่งแล้วค่ะคือที่ผ่านมาเนี่ยหนูก็มีความทุกข์เข้ามาแต่ว่าได้ฟังซีดีหลวงพ่อเนี่ยก็รู้สึกว่าใจสบายขึ้นสงบขึ้นนะคะ แล้วก็ทุกวันนี้คือบางทีเห็นตัวเองโกรธนะคะแล้วเหมือนใจตัวเองจะเต้นออกมาจะดูดออกมาอะไรนะเหมือนตัวเองโกรอนะคะ <had> แล้วเห็นว่าใจมันเต้นแล้วมันก็จะหลุดออกมา<อ>จากดีแล้วแล้วบา ง, ง, งวันก็เห็นว่าตัวเองมีความสุขก็จะมีความสุขทั้งวันบางวันก็เห็นว่าเองมีความทุกข์ก็จะทุกข์ทั้งวันอยู่นะคะ <ๆ S 1> มันก็จะสลับสลับไปมาค่ะคือเลยไม่แน่ใจว่าที่ทําอยู่เนี้ถูกหรือเปล่าหรือว่ามัเคมือดูเรื่อยๆนะใจเราแต่ละวันไม่เคยเหมือนกันแล้วต่อไปเราดูให้ละเอียดขึ้นไปอีก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 ถูกเจ้าค่ะถูกสิเห็นร่างกายมันทำงานไปเห็นจิตใจมันทำงานไปมันไม่ใช่ตัวเรานะดูไปอย่างนั้นถูกแล้วละ่ะแล้วหลวงพ่อเมตตาด้วยเจ้าค่ะเพราะว่า <ใจ S 1> โอกาสที่<ใ> จ, จ, จะเป็นใจมันนิ่งเกินไปเจ้าค่ะนะใจมันติดความนิ่งเกินไปให้มันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงบ้างเจ้าค่ะอย่าไปประคองให้นิ่งเจ้าค่ะอาไปคนต่อไปขอบพระคุณเจ้าค่ะ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 คือคือโยมเนี่ยค่ะมีธาตุไฟร้อนร้อนมากนะเจ้าค่ะน้องไงละ่ะธาตุไฟเยอะเออค่ะนับเป็นไง<อ>ไม่เห็นจะเป็นอะไรก็รู้ว่าร้อนเจ้าค่ะอืมเราก็คิดถึงอะไรที่มันเย็นเย็นไหมคะเจริญเมตตาไว้ให้มากๆาก้าค่ะเพราใจของเรามันไม่ใช่ธาตุไฟอะไรหรอกมันมีโทสะเยอะค่ะโทสะนั่าจะร้อนมากน ะ, จะเจริญเมตตาบ่อยๆน ะ, ะแล้วก็บางครั้งนะคะ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 ไม่ใช่ว่าอยากรักษาศีลไม่ผิดศีลทางวาจาแล้วก็ไม่พูดการถือศีลไม่พูดเนี่ยเป็นวัดชนิดหนึ่งวัดตะละชนิดหนึ่งชื่อหมู่เขวัดวัดของบัวบัวไม่ค่อยพูดเท่าไหร่บ้านๆของเราพูดแต่เรามีสุติเนี่ยว่ามีสัมมาวาจารู้สึกไปคนเราจะพูดเท็จพูดสอบเสียดพูดคํายาพูดเพอเจอร์อะไรที่ผิดศีลได้ เพราะว่าขาดสติกิเลสมันครอบงำจิตแล้วเราฝึกสตินะเราก็วาดจ่าเมื่เราจะดีเองมีสติไว้เรารู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นในใจนะกิเลสครอบงำจิตไม่ได้วาจาเราก็ไม่ทำผิดจา ก, กราบทบาวสการถามอีกนิดหนึ่งว่าในรา ง, งการปฏิบัตินะคะหลวงพ่อจำเป็นไหมคะว่าในการเดินจงกรมแล้วก็ต้องนั่งสมาธิคือจะต้องทำทั้งสองอย่างไปด้วยกันหรือ เราพอใจอย่างใดอย่างหนึ่งได้หรือไม่คะที่จริงถ้าเรายังต้องเดินอยู่นะทุกก้าวที่เดินแล้วเรารู้สึกตัวนี้เรียกว่าเดินจงกรมทั้งเส้นเราก็ยังต้องนั่งอยู่ใช่ไหมนั่งอยู่ด้วยความรู้สึกตัวก็เรื่องนั่งสมาธิงั้นยืนเดินนั่งนอนต้องทําทุกอิริยาบถอยู่แล้วส่วนการทําในรูปแบบก็แล้วแต่ความถนัดถนัดเดินจงกรมก็เดินไปเดินแล้วมีสตินะนั่งบ่อยๆแต่นั่งมีสติไม่นั่งให้เคลิมนะ นั่งให้เคลิ้มมันไม่มีสติอย่างตอนนี้ใจลอยไปทราบไหมรู้สึกไหมขณะนี้กดอยู่กดตัวเองอยู่นะต้องปล่อยต้องปล่อยนะปล่อยให้เขาทํางานแล้วเราตามดูไปเรื่อยๆถ้าเราจะตัดตัวกิเลส ท, ที่ใหญ่หลวงมากคือคำว่าขี้เกียจนะคะหลวงพอ่อตัวนี้ใหญ่มากขี้เกียจนะไม่ใช่กิเลสใหญ่หลวงนะกิเลสใหญ่หลวงคืออาวิชาขี้เกียจนี้เป็นกิเลส ท, ที่เลวร้ายที่สุด แต่ถ้ายิ่งใหญ่ที่สุดนี่ต้องเอาวิชาอยา่าขี้เกียจนะวิธีที่จะไม่ขี้เกียจเนี่ยคือพิจารณาความตายพิจารณาชีวิตของเราบ่อยๆทุกวันใช่เมเรามีความแก่เรามีความเจ็บมีความตายเป็นธรรมดาใช่หไหมเราจะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักเราต้องเห็นสิ่งที่ไม่รักเป็นครั้งคราวชีวิตเราเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนอย่างเงี้ยถ้าเมื่อไหร่เราเห็นว่าชีวิตเราเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนมันจะไม่ขี้เกียจหรอก มันเหมือนเห็นไฟไหม้บ้านนะยังจะขอนอนอีกสักสิบนาทีอะไรเงี้ยไม่เป็นหรอกถ้าดรงไฟไหม้ใช้ขาบ้านแล้วยังไงก็วิ่งแล้วถ้าเราเห็นไฟไหม้บ้านนี้คือเห็นความทุกข์เนี่ยมันรออยู่ข้างหน้าเราจะขยั น, นสู้เอานะสู้เอา<ข>อที่ฝึกมาก็ดีนะกราบนวัตรการหลวงพ่อค่ะอยากให้หลวงพ่อช่วยแนะนาแนวทางในการปฏิบททัติะ ใจมันยังซึมไปนะซึมไปหน่อยบ้านอยู่ไหน่กรุงเทพค่ะน่าไปเรียนที่บ้านอารีนะกับหมอัตนและอาจารย์สุรวัตรวันเสาร์รู้จักบ้านอารีไหมนะาไปเรียนใจเราอมันยังซึมไปนิดนึงมัวมัวรู้สึกไหมขณะนี้มันมีโมหะใจมันมัวมัวซึมซึมฟุ้งฟุ้งรู้สึกไหมให้รู้อย่างที่มันเป็นรู้ไปเรื่อยอย่าไปว่ามันนะ ให้รู้เฉยๆห้ามว่ามันใจนี้มันใจน้อยว่าไม่ได้นะใจน้อยรู้สึกไหมดูมันไปเรื่อยๆอย่าตอนนี้ใจลอยไปรู้สึกไหมใจหนีไปคยรู้สึกนะใจมันสงสัยใจมันสงสัยขึ้นมารู้สึกไหมรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยนะทีละขณะทีละขณะเราจะเห็นว่าจิตเหล่นี้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่าตอนนี้หนีไปคิดและทราบมไหมอย่าไปฝึกแบบนี้ เราไปฝึกต้อมใจให้เบลเบลน้อมเงี้ยฝึกอย่างนี้ไม่เอานะต้องฝึกรู้ตัวให้กระชับกระเฉงไว้ให้คึกคักไว้นะเราอย่าไปคิดว่าน้อมไปอย่างนั้นแล้วสงบไม่ดีหรอกจิตใจจะซึมซึมจิตหลงไปคิดทราบไหมร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกไหมอย่างทนพยักหน้าอะไรเงี้ยดูกายแะดูกายได้ดีกว่าดูจิตอีก เห็นไหมร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกไหมใจปลกขึ้นมาแล้วไม่ต้องไปดูจิตนะดูกายไว้เอากายเป็นหลักไว้แต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกสงสัยแล้วทราบไหมสงสัยแล้วเออเห็นไหมตัวนี้มันนั่งยิ้มอยู่เห็นไหมออรู้ลงไปที่กายนะร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกฝึกไปอย่างนี้เดี๋ยวสติแท้ๆมันจะเกิดขึ้นนะขอบพระคุณค่ะนมาสการครับ เคยไปหาหลวงพ่อครั้งแล้วบอกว่าผมติดเคิมก็ตอนนี้ก็ฝึกอนาปายอยู่ครับที่หลวงพ่อเคยบอกว่าให้ระลึกรู้ธาตุลมเข้าไปในร่างกายอืมครับก็มาถามหลวงพ่อว่าผมที่ปฏิบัติมาถือว่าใช้ได้ไหรือเปล่าครับใช้ได้สิทธินะดีใช้ได้รู้สึกไหมความรู้สึกตัวมันชัดเจนขึ้นใช่ครับแล้วอย่างผมนี่ต้องดูจิตหรือดูกายครับ ของคุณนะสุดท้ายมันก็ต้องไปดูจิตเพราะโดยจริตนิสัยมันจะต้องไปดูจิตแต่เราเอากายเป็นฐานไว้มันจะทำให้จิตมีแรงของคุณถ้าไม่ได้ดูกายไว้เลยจิตจะมัวมวรู้ไม่ชัดหรอกจะมีโมหะเออโมหะมันจะแซ่บบ่อยนะครับร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกไปรู้สึกไปอย่างนี้ต้องของผมต้องเพิ่มสมถะไหมครับสมถะก็ทาได้นะแต่ว่าระวังอย่าไปเพ่ง ลองนั่งสมาธิให้หลวงพ่อดูสิเนี่ยบังคับจิตให้นิ่งรู้สึกไห ม, ไม เ, อเอาใหม่เมื่อคิดบอกเร็วไปต้องให้บังคับมากกว่านี้ก่อนเนี่ยส่งจิตไปดูรู้สึกไหมจิตเราเคลื่อนไปแล้วนเนี่ยเราหลงไปเรียบร้อยแล้วจิตเราไหลไปอย่างเราไปดูลมหายใจนะจิตเราเคลื่อนไปอยู่ที่ลมนะ่ะหรืออย่างขณะ น, นี้จิตสงสัยทราบไหม รู้ลงไปปัจจุบันในจิตมันทําอะไร<น>รู้ไม่ให้ลมไม่ให้ขึ้นไปอยู่ที่ลมทํำยังไงครับรู้เฉยๆเห็นร่างกายนี้หายใจใจเป็นคนดูร่างกายนี้หายใจใจเป็นคนดูใช่หลักอันนี้อย่าตั้งใจอย่างนั้นตั้งใจงั้นไม่ได้เครียดเกินไปรู้เล่นๆตอนที่ไม่ได้ปฏิบัตินะหายใจไหอก็หายใจไปเหมือนตอนไม่ปฏิบัติอน่ะก็แค่รู้สึกอยู่ว่า้ร่างกายนี้มันหายใจอยู่ก็แค่นั้นเองครับขอบคุณครับ พูดดังๆหน่อยดูกายดูจิตแต่ว่าก็ดูด้วยความเป็นเราอยู่ะอะค่ะแล้วก็กเห็น <สบ S 1> เห็นความรู้สึกเป็นเราไหมเห็นค่ะถ้าเห็นนั้ดีนะเพราะมันเห็นยากถ้าเห็นได้ก็เก่งแล้วแล้วหนูขอการบ้านกลับไปทำเพื่อปจยังซึมไ ป, ไมไปอย่าไปพอวนาแล้วไปกดจิตให้มันนิ่งๆนะพยายามออกมากระทบอารมณ์บ่อยๆรู้สึกเปล่าว่ากดจิตไว้ เ อ, เออไม่เอาอย่างนั้นไม่เอาถ้าภาวนาแล้วกดเอาไว้ให้แข็งแข็งเครียดเครียดนั้นมันจเจริญสติไม่ได้จริงต้องปล่อยให้มันสบายให้มันทํางานไปสบายสบายดูจิตเหมือนเราดูเด็กเด็กมันต้องวิ่งเล่นต้องซุกซนบ้างอะไรเงี้ยมันถึงจะมีความสุขนะถ้าไปเอาโซ่มัดเด็กไปไม่ให้เคลื่อนไหวเลยเด็กก็ไม่มีความสุขแล้วควรฝึกอะไรบ้างรู้สึกร่างกายไปด้วยนะร่างกายเคลื่อนไหวคอรู้สึก จิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกรู้สึกได้ๆแต่อย่าเพ่งติดเพ่งเพ่งจนซึมไปปล่อยซะหน่ปล่อยดูสบายๆเผลอบ้างหัดเผลอบ้างหนหันไปมองคนข้างๆหนะ่อนั่งหลับไปละดูเห็นไหมขนาดเนี้ยเห็นไหมไม่เกียจใจแล้วใจเคลื่อนออกมาแล้วรู้สึกไหมเนี่ยใจต้องอยู่ตรงนี้นะโลง่งๆอย่างนี้โปร่งๆรู้สึกตัวไปสบายๆไม่ไม่ใช่ไปกดให้มันนิ่งอาไปต่อไปเบอร์อะไร การนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะขอโอกาสถามเจ้าค่ะหนูฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณ3ามถเดือนนะคะก็หัดดูจิตว่าเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็เผลอเจ้าค่ะก็ไม่ทราบว่าทําถูกหรือเปล่าเจาถูกนะใช่ได้เลามาขอการบ้านเพิ่มเจ้าค่ะไปดูอีกยังดูไม่พอดูเห็นจิตเดี๋ยวก็เผลอไปแล้วก็รู้สึกเผลอแล้วก็รู้สึกฝึกไปอย่างยิ่งได้ถ้าพอเมื่อไหร่ก็ได้ธรรมะเมื่อนั้น แต่หนูควรจะต้องดูจิตใช่ไหมเจ้าค่ะใช่เป็นนักคิดคนช่างคิดต้องดูจิตแต่บางทีพอรู้ตัวเสร็จแล้วมันจะรู้สึกว่ามันว่างอะเจ้าค่ะเหมือนว่างเราว่างว่างเราก็รู้ว่าว่างนะแล้วก็เห็นมันอยู่ช่วคราวเดี๋ยวมันก็ไม่ว่างอย่าให้จิตติดอยู่ในความว่างถ้าจิตติดอยู่ในความว่างเราใช้ไม่ได้บางคนภาวนาแล้วก็น็อปเข้าหาความว่างให้จิตว่างทั้งวันทั้งคืนให้อย่างนั้นเป็นสมถะอย่าไปให้จิตมันนิ่งนิ่งนะ เห็นมันทํางา น, นไปพอจะตื่นบ้างหรือยังเจ้าตื่นสิภาวนาใช้ได้นะฮะกลับขอพระคุณเจ้าค่ะหลวงพ่อครับหมดยี่สิบเปอร์แล้วครับมีคําถามที่มาจากห้องอื่นนะครับฝากมากราบนมัสการว่าการสวดมนต์ภาวนานในสถานที่อื่นเช่นบนรถยนต์ในห้องน้ําในห้องทํางานผิดหรือไม่สวดผิดหรือไม่ หรือการสการไปสวดที่นั่นไม่ดีเหรอดีทั้งนั้นแหละทำไมล่ะเวลาเข้าห้องน้ำเราไม่ตายแล้วมงเหรอบางคนก็ตายคาห้องน้ำนะเพราะฉะนั้นตอนไหนก็ต้องมีสติไว้สวดมนต์เมื่อไหร่ก็ดีทั้งนั้นแหละบางคนไปคิดว่าต้องสวดมนต์ต่อหน้าพระพุทธรูปต้องไปสวดในวัดในห้องพระบางสถานที่ห้ามสวดมนต์ไม่มีใครสั่งใครสอนให้ทาอย่างนั้นพระพุทธเจ้าไม่เคยห้ามนะ ยิงบางคนอย่างภาวนาจิตใจนี่เคล้าเคลียอยู่กับธรรมะทั้งวันเลยพุทโธพุทโธอะไรอย่างนี้ทั้งวันก็ได้ไปอยู่ที่ไหนก็พุทโธอยู่ในห้องน้ําก็พุทโธได้มันไม่บาปหรอกบาปมันเกิดจากกิเลสนะถ้ากิเลสครอบงําจิตเมื่อไหร่นะถึงจะไปนั่งอยู่หน้าพระพุทธ ร, รูปมันก็บาปแต่ถ้าเราภาวนานะพุทโธพุทโธหรือเราสวดมนต์เรหั่งซ้ำมาเรานึกถึงพระพุทธเจ้าไปได้อยู่ตรงไหนมันก็เป็นบุญเพราะใจเราเป็นบุญ นั้มันไม่ได้อยู่ที่สถานที่มันอยู่ที่ใจเราบุญหรือบาปนั้นแล้วไงอีกหมดนะครับมีคําถามฝากมาอันเดียว<ม>จนเวลาเหลือแล้วจะได้อีกส่วนสองคนได้อีกสักสองคนเอยั่งกันเราเองก็แล้วกันตอนนี้ผมคลายการบังคับลงหรือยังครับคลายละละละละแล้วล่ะแต่ยังไม่หมดนะครับยังเหลือบ้างแต่สังเกตไหมใจมันเริ่มเคลื่อนที่ได้ดีขึ้น ที่ผมปฏิบัติอยู่ตอนนี้ไป่ทราบเป็นไงครับคือเวลาเดินจงกรมนะฮะเวลาจิตหลงก็หลงไปพอรู้ตัวปุ๊บมันก็จะเข้ามาที่ลมหายใจอย่าให้จงใจเข้ามาก็แล้วกันถ้าเข้ามาเองไม่เป็นไรนะเข้ามาเองครับถ้าเข้ามาเองไม่เป็นไรแต่ถ้าจงใจเข้ามาแล้วมันจะเหมือนตอนเนีแ้แข็งแข็งครครับรับคบคคุณที่เพิ่งส่งกันบ้านเสร็จเห็นไหมหลงไปแล้ว พยายารู้สึกตัวบ่อยๆนะแต่คุณอย่า ก, กดนะคุณยัง ก, กดอยู่รู้สึกไหมขณะนี้ยกดเอาไว้เลยต้องปล่อยกดมากไปรู้สึกไหมใจมันไม่สบายมันไม่คล่องแคล่วไม่ปลาดเรียวมันนิ่งไปถ้าถ้ากดอยู่ไม่ตื่นะถ้าปล่อยปุ๊บก็ตื่นปั๊บเวลาตื่นก็ตื่นทีละแว็บเดียวไม่ตื่นนานนะใช่นวัตการมหลวงพ่อครับ อ, อมีคําถามครับ การเห็นจิตกับเห็นอาการของจิตนี่ต่างกันย่งไรครับจิตจริงๆเราเห็นไม่ได้หรอกนะดูอาการของเขาไปก่อนจิตแท้ๆเป็นธาตุรู้เราจะไปเห็นธาตุรู้ได้นั้นต้องภาวนากันนานมากเลยตอนใกล้จะเกิดมรรคเกิดผลอะไรนั่นตอนนี้จิตที่เราเห็นนี่จะเป็นจิตสังขารเห็นความปรุงของจิตอย่างตอนนี้จิตไปคิดทราบไหม ถ้าถ้าดูเนี่ยการดูจิตเราจะดูสองอันอันหนึ่งดูความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นอีกอันนึงดูกริยาอาการดูการทํางานของจิตรู้สึกไหมจิตวิ่งไปวิ่งมาได้เนะเดี๋ยววิ่งไปทางตาวิ่งไปทางหูเดี๋ยววิ่งไปคิดอย่างนตอนเนี้ยวนนิ่งไปคิดแล้วเนะี่ยให้รู้ทันอย่างนี้ไปเรื่อยนะแล้วจะเห็นจิตเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งปัญญามันแจ้งขึ้นมาว่าจิตไม่ใช่ตัวเราหรอก ม่มีแต่เกิดแล้วดับขออนุญาตส่งกันได้นิดนึงครับพอดีผมฟังทีดีของหลวงพ่อมาหลายเดือนแล้วครับมีอยู่วันหนึ่งตอนขับรถอยู่ก็ได้ยินว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งส่งกันบ้านแล้วหลวงพ่อชมก็ตอนเช้าไปนั่งกรรมฐ า, านนะครับผมจะนั่งกรรมฐ า, านตอนเช้าก็จะเห็นว่าตัวเองอิจฉาอืครั้งแรกนะครับคำพูดของหลวงพ่อชมพอครั้งที่สองจิตก็กลับไปคิดเรื่องนี้อีกก็รู้สึกโกรธตัวเองว่าทําไมต้องเปอิจฉาเขา พอครั้งที่สามคำพูดของพ่อขึ้นมาแต่ว่าเราไม่คิดปรุงแต่งอะไรต่อเลยนะฮะตอนนั้นรู้สึกว่าใจโปร่งโล่งเบาสบายแล้วก็เห็นคล้ายๆอาการขจิตมันยิ้มก็บอกว่าอ๋อได้ยินสักแต่ว่าได้ยินคือแบบนี้แล้วก็คืนนั้นทั้งคืนจะมีความสุขแต่ว่าหลังจากนั้นก็พยายามจะทําใจให้ได้อย่างนั้นอีกแต่ก็ไม่ได้อย่าพยายามสิความพยายามอยู่ที่ไหนความล้มเหลวอยู่ที่นั่นพูดมานานแล้วนะคือความพยายามที่จะทําอันโน้นทําอันนี้นะจริงๆมันเป็นความโลภ เป็นความอยากไม่ใช่ความพยายามหรอกมันเป็นความอยากเพราะความความอยากมันเกิดขึ้นความโลภมันเกิดขึ้นสติมันไม่เกิดแต่ว่าตอนที่เราขับรถอยู่ใช่ไหมเราได้ฟังเราไม่ได้เจตนาจะปฏิบัติความอิจฉาฟุดขึ้นมาเราวเราเห็นยังนี้นใช้ได้พอเราเห็นสภาวะตรงความเป็นจริงนะจิตก็รู้ตื่นแล้วก็เบิกบานขึ้นมาไหมเบิกบานเองเราสั่งให้เบิกบานไม่ได้ถ้าเราสั่งได้ก็เป็นอัตตาไม่ใช้อนัตตา เราจะภาวนาจะเห็นความจริงนะว่าขันห้าคือกายกับใจทั้งหมดนี้เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราเราไม่ใช่ภาวนาเพื่อให้มันมีความสุขนะไม่ได้ภาวนาเอาดีเอาสุขเอาสงบอะไรแต่ภาวนาให้เห็นความจริงผู้ใดเห็นความจริงนะจะเบือ่อจะเห็นเลยมันมีแต่ความทุกข์ในกายในใจมันมีแต่ความทุกข์พอเบื่อแล้วจะคลายความยึดถือถ้าเราไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจเนะี่ยพอร่างกายมันแปรปรวนไปเราจะไม่ทุกข์ด้วย พอจิตใจมันเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างนะใจก็จะไม่ทุรนทุรายมันจะเห็นเลยทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของโชคราวทั้งหมดเลยสุขก็ชว่วคราวทุกข์ก็ชว่วคราวใจยังเข้าสู่ความเป็นกลางไม่มีอะไรปรุงแต่งมันสบายดีขอให้พอช่วยแนะนำเพิ่มเติมครับเนี่ยแนะเยอะแล้วนะแนะเท่านี้ก็ไปทํากันนานนะที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วละนะนะสติมันเกิดขึ้นมาแล้วหลวงพ่อคะด้านนี้ค่ะธรัมสถานค่ะ หนูเป็นคนตื่นเต้นง่ายมากเลยะค่ะหลวงพ่ อ, อคุณหมอเคยวิเคราะห์เมื่อเ้าปีที่แล้วว่าเป็นโรคอารมณ์แปรปรวนสองข้วค่ะเป็นโรคจิตเวชชนิดหนึ่งทีนี้เนี่ยใช้วิธีตามดูกายดูใจให้รู้ในปัจจุบันขนาค่ะอาการมันก็ไม่กําเริบอีกะคะ่ะจนกระทั่งผ่านมา9ปีแล้วะคะ่ะหนูก็อยากทราบว่าโรคเนี้ยมันเหมือนเป็นโรคประจําตัวะคะ่ะอยากทราบว่าแล้วคนเป็นอย่างหนูเนี่ยมันจะบรรลุทําได้ไหมคะ ก็ไม่มีข้อห้ามอะไ ร, นะรัวว่ามันอยู่ที่ว่าอยู่่่ทีวาเราทําพอสมควรเกียรติธรรมไหมเราดูไปเรื่อยๆถ้าเรายังมีความโลภอยู่ก็ไม่บรรลุแต่ถ้าเราคอยเห็ น, นกิเลสใดๆพุดขึ้นมาในใจรู้ทันกิเลสอะไพุดธเรารู้ทัน รู้อย่างเป็นกลางจริงๆนะพอคุณรู้แล้วยังไม่เป็นกลางทีเดียวนะใช่ค่ะรู้แล้วยังแทรกแซงอยู่บางทียังเกลียดมันอยู่ไปเกลียดมันนะ่ย<ช>ตัวนั้นนะให้รู้ทันซ้อนลงไปอีกชั้นหนึ่งว่าใจกำลังเกลียดอยู่ถ้าคุณดูถึงตัวนี้ได้แล้วใจคุณจะเป็นกลางมีนะหมอหลายคนเลยหมอทางจิตแพทย์อนะไรเนี้ยรักษาคนไข้หลายปีไม่หายนะเอาซีดีหลวงพ่อให้ฟังมันหายได้นะ หนูควรทําสมถาร่วมด้วยไหมคะเพื่อให้มันสงบขึ้นไหมคยังอย่าไปทนะําน <3 S 1> ะเดี๋ยวเครียดจัดของคุณถ้าคิดจะทําอะไร่อย่าไปเพ่งเอาเดีย๋ยวใจจะเครียดไปค่ะ <c' S 2> ยิ่งเครียดยิ่งไม่ดีค่ะใช้วิธีตามดูกายหรือดูจิต ด, ดีกว่าค่ะดูกายไปนะคะหนูก็รู้สึกว่าหนูถนัดดูกายมากเลยค่ะอ๋อแล้วถามธรรมอเ <c oughs> องถามไว้ก่อนเผื่อมีอะไรเจ้าหน้านะถูกต้องแล้วฉลาดที่รู้ว่าตัวเองเหมาะกับอะไร ทำถูกทางแล้วนะคะถูกแล้วล่ ะ, ะดูกายมันไ ป, หนไปเห็นกายมันทํางานไปนะเพราะว่าใจเราเครียดง่ายถ้าคืนไปดูจิตเดี๋ยวจะไปเครียดกับจิตเั้นดูกายไว้ดูกายก็บรรลุทําได้นมัส ก, การครับหลวงพ่อเออตอนนี้ผมอยู่กับเครื่องอยู่ตอนนี้ใช้ได้หรือยังครับบังคับมากไปนิดหน่อยบังคับแรงไปเมื่อเ<น>ชา้าเดินไปตลาดก็สวดอิติปิโสไปเรื่อยแต่ว่ารู้สึกเบาๆ อตอนนี้ ใ, ใจอย่างนั้นไม่เป็นสมถะเยังเป็นสมถะอยู่ครับถ้าใจมันเบาๆบ้างใจมันหนักๆบ้างแล้วเรามีสติตามดูอย่างนั้นใช้ได้นะพอทราบครับออถ้ามันเบาตลอดเลยอย่างนั้นไม่ดีเป็นสมถะแต่พอใช้ได้แล้วล่ะที่ฝึกอยู่นะครับรู้สึกมันโล่งขึ้นมันโล่งมันโล่งแต่อย่าไปติดในโล่งนะอย่าไปติดอยู่ในความโลง่งเห็นจิตมันโล่งๆก็รู้มันไป อย่างตอนนี้รู้สึกมันหนักๆด้วยโลง่ลงๆด้วยเพราะว่ากดมันไว้ครับยังกดมันอยู่ตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วไปกดมันแล้วที่โล่งเนี่ยครับเป็นเป็นยังไงครับที่โล่งเพราะเรามีสติอยู่ใจมันตื่นขึ้นมาแล้วขอบคุณครั บ, ค, รบคนสุดท้ายเป็นเด็กนักเรียนอ้าวน้ำมันสกาดครับยากอยากถามว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้จะเป็นอะไรตอนนี้รู้สึกไหมมีคนไหมเราเป็นคนปะ เห็นไหมเราเราเป็นคนเรามีตัวมีตนถามว่าตอนนี้เป็นอะไรตอนนี้ยังเป็นคนอยู่พอนาไปนะวันหนึ่งจะไม่ใช่คน <c ười> คอยรู้สึกนะรู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจตอนนี้ใจลอยทราบไหมใจมันหนีไปใจมันตื่นเต้นอะ่ะทำไมคนเจอหลวงพ่อแนละ้วตื่นเต้นเจอดาราตังค์ยังไม่ตื่นเต้นเท่านี้เลยนะขอคนาแนะนำเพิ่มนะครับดูเล่นๆ น, นะแต่ว่าสม่าเสมอนะ ไม่ใช่รู้บ้างแล้วก็ทิ้งไปนานๆรู้บ่อยๆนี่ลูกหมอหนัตวะไม่ใช่เหรอเนี่ยตัวเท่าๆกันตื่นเต้นยังไม่หายเลยรู้สึกไหมส่งไมไปแล้วเนี่ยความรู้สึกเปลี่ยนไหมเห็นไหมเนี่ยความรู้สึกมันเปลี่ยนนะคอยดูไปเรื่อยๆดูความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่บังคับเขาก็สมควรแก่เวลานะครับท่านก็ขออภัยถ้าไม่ได้ถามกันทั่วถึงนะครับ สุดท้ายนี้ก็มีท่านที่นําของมาถวายนะครับก็ขอให้ทุกท่านร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานผมขอเป็นตัวแทนกล่าวนํานะครับแล้วก็เป็นตัวแทนกล่าวแทนทุกท่านนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัะจัยษ์ไทยธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ประโมทประโมทโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย และครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเทินยถ า, าวะริวาหาปุราปริปูเรนตีสะคารังเอวเมวัยโตดินัางเปตานางอุปกัปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเะเมวาสมิชตุสัพเพปูเรนตูสังกปาจันโทพันนรโสยะถามณิโชติราโสยะถาสัพพิตโยวิวัชันตูสัพพโรคโควินัสตุ มาเตภวัตวันตรารโยสุขีทีคาโยโกภาวะอาภีวาธนาศีริสนิจังมุทธาปจายโนจัตตาโรธรรมาวันตีอายุวันโนสุขังพระหลังพวกข้าวของปัจจัยที่โยมเอามาถวายหลวงพ่อนะหลวงพ่อก็ยกให้โรงพยาบาลเขาเกลักกันนะเด็กเขาจะใช้ประโยชน์ได้